สิ่งมหาศัจจันร์นะเหตุผลนั้นก็มีหลายประการความมหาศจจัน์ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ชีวิตนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยกายกับใจในการที่ชีวิตประกอบด้วยกายกับใจนี่มันเป็ น, ปนความมหาศัจจันท์ยังไงมหาศัจจัน์ก็เพราะว่ากายกับใจนี่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าใช่ไปตรงข้ามกันเลยไม่น่าจะมา รวมกันหรือมาประกอบกันเป็นชีวิตได้อย่างเช่นกายเนี่ยนะมันเป็นดุนเป็นก้อนนะมีน้ำหนักกินเนื้อที่ส่วนใจนี่จับต้องไม่ได้ไม่กินเนื้อที่แถมยังวัดนะจะวัดเป็นตัวเลขยังไงก็วัดไม่ได้กายเนี่ย มีนิสัยหรือธรรมชาติอย่างหนึ่งนะก็คือมันชอบอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรที่ร่างกายนะจะชอบเท่ากับการที่อยู่นิ่งๆนะถ้าไม่นั่งก็นอนส่วนใจเนี่ยนะตรงข้ามชอบวิ่งชอบเที่ยวชอบเล่นนะชอบพเนจรสมัยนี้เนี่ยนะมันเป็น สมัยที่เรียกว่ากายนี่ชอบมากเลยเพราะว่าโอกาสที่จะอยู่นิ่งๆนะไม่ต้องขยับขยื่นเคลื่อนเนี่ยมันทำได้ง่ายมากในสมัยก่อนนี่ก็ต้องไม่ว่าแม้กายจะชอบอยู่นิ่งๆแต่ก็จำเป็นต้องขยับจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเอานะที่ทำงานก็ไกลเป็นไรเป็นนา ก็ต้องเดินแต่สมัยนี้เนี่ยนะแม้จะต้องเดินทางนะแกก็ไม่จเป็นต้องเดินก็ได้นั่งนะนั่งอยู่บนรถหรือเดี๋ยวนี้นะี่บางทีก็ไม่ต้องเดินทางแล้วทำงานก็อยู่กับบ้านเปิดคอมพิวเตอร์หรือทำงานโดยใช้โทรศัพท์ากายยิ่งสบายไงากายยิ่งชอบ แม้แต่ธรรมาหากินนะหรือแม้แต่การกินเนี่ยนแต่ก่อนนี่ยังต้องเดินไปที่ร้านมัหรือว่าเดินไปหยิบผักไปเอาผักเอาเอ า, เอาอาหารมาปรุงแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านนะไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็มีกินสั่ง delivery บ้างนะเป็นช่วงเป็นยุคสมัยที่เรียกว่ากายนี้นะ ได้รับการอตอบสนองเนี่ยอย่างเต็มที่แต่ว่ามันก็เกิดปัญหานะเพราะว่าการที่กายเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่ต้องออกกําลังกายมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะไปทํางานหรือว่าการกินนะการเสพก็เกิดปัญหาสุขภาพคนก็เริ่มยําแย่โรคหัวใจเอยโลก เบาหวานนะอาจจะโรมะเร็งสารพัดเนี่ยเกิดจากการที่กายนี่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนะเพราะได้ทำในสิ่งที่มันชอบในขณะเดียวกันเนี่ยใจเนี่ยนะอย่างที่บอกนะมันก็มีนิสั ย, ยที่ชอบท่องเที่ยวและสมัยนี้ใจก็ท่องเที่ยวมากกว่าแต่ก่อนด้ซ้ำเพราะมีสิ่งกระตุ้นเรา กระตุนเราทางตาทางหูทางจมูกแสงสีเสียงข้อความต่างๆใจก็เตลิดเปิดเปิงกันมากขึ้นรวมทั้งมีอะไรต่ออะไรต้องทำมากมายเพราะชีวิตที่เร่งรีบถึงขั้นที่เรียกว่าเวลาจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะใจไม่ยอมหยุดคิดมันยังอยากเที่ยว แม้จะหลับแล้วนี่มันก็ยังเที่ยวต่อนในความฝันนะหลายคนก็เลยไม่รู้สึกว่าได้หลับเต็มที่นะตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้หลับเลยก็มีเพราะใจมันคิดพุ้งปรุงไปตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องพากันมาฝึกฝนนะในด้านนก็ต้องฝึกฝนกายให้มันขยืนขยับมากขึ้น มีการชักชวนมีการล่นลงให้คนไปออกกำลังกายนะให้วิ่งนะจ็อกกิ้งนะหรือว่าเล็กเต้นแอโรบิกหรืออย่างน้อยน้อยนี่ก็เวลาจะาขึ้นลิฟต์ก็เปลี่ยนมาเป็นเดินบันไดนะเวลาจะไปปากซอยก็แทนที่จะนั่งรถนะก็เดินเอาบ้างนะกายนี่ต้องฝึกด้วยการขยื่นขยับให้มากขึ้นไม่งั้น อาจจะเป็นโทษถึงตายเพราะความเจ็บป่วยส่วนใจนี่ก็ต้องฝึกนะฝึกในทางตรงข้ามฝึกให้มารู้จักนิ่งบ้างฝึกใจให้รู้จักนิ่งการทำสมาธิภาวนาวก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในการที่ทำให้ฝึกในการฝึกจิตให้นิ่งนะเที่ยวให้น้อยลงนะอยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นที่จริงที่พูดมานี่มันก็เป็นแค่ความแตกต่าง เกือบตรงกันข้ามระหว่างกายกับใจนะแต่ที่จริงยังมีมากกว่านี้นะธรรมชาติของกายเนี่ยนะนิสัยของมันเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่านะเวลาเจอของแหลมของร้อนเนี่ยเช่นมือเนี่ยไปถูกเหล็กร้อนๆหรือนิ้วเนี่ยไปถูกน้ำหรือถูกเปลวไฟเนี่ย ไม่ต้องสั่งนะกายนี่ยมันจะรีบดึงนิ้วนะดึงมือเนี่ยออกมาจากของร้อนของแหลมทันทีอย่างฉับพลันเลยจะไม่อยากคล้องแวะด้วยเวลาเท้าเราเนี่ยเหยียบหนามเนี่ยบางทีเหยียบแค่ปุ๊บเดียวนั่นนะมันทิ่มเข้าไปนิดเดียวนี่ร่างกายมันชักเท้าออกมาทันทีเลยหรือแม้แต่ยิ่งเอ ขนนะหรือว่าขนขนตาเนี่ยแค่โดนฝุ่นนิดเดียวนี่มันรีบกระพริบทันทีอันนี้เป็นธรรมชาติของกายแต่ใจนี่ตรงข้ามนะอะไรที่ทําให้ใจนี่มันเจ็บนะอะไรที่ทําให้ใจนี่มันปวดใจนี่มันก็จะนะไปจดจอ่อนะไปคุกเคข้าหรือว่าคลอเคลียรตรงนั้นเลย คำพูดอะไรที่ทําให้ใจเนี่ยเจ็บนะหรือคาพูดอะไรที่ทาให้ใจเนี่ยน้อยเนื้อต่าใจหรือข้อความหรือการกระทําใดๆก็ตามในอดีตที่ทำให้เจ็บปวดเศร้าโศกโมโหโกรธาใจแม่ น, นี่ก็จะเอาแต่ผวนหาคิดคำหนึ่งถึงสิ่งนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวในอดีตเท่านั้นนะ แม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นเกิดมีเสียงดังเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนคุยกันนะเรื่อจะมีเสียงลิงนะวิ่งอยู่บนหลังคาตึงตังตึงตังใจไม่ชอบนะแต่ใจยิ่งจดจ่อ ย, อยตรงนั้นแหละ อาะกำลังฟังเสียงเพลงอยู่อาจจะกำลังดูหนังอยู่ทั้งท้งที่ดูหนังฟังเพลงมป็สิ่งที่ใจชอบแต่พอมีเสียงมารบกวนนี่จิตเนี่ยมันพุ่งไปที่เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนคุยกันเสียงลิงวิ่งอยู่บนหลงังคาทันทีเลยถามว่าไปจดจ่ออยู่กับเสียงเหล่านั้นแล้วเนี่ยใจเป็นไงมีความสุขไหมไม่มีความสุขใจหงุดหงิดลาคาญโกรธ แต่ยิ่งจดจอนะยิ่งโกรธยิ่งเจ็บนะยิ่งจดจออันนี้มันตรงข้าวกับกายเลยนะกายนี่มันถ้าเจออะไรที่เจ็บนี่มันรีบถอนออกมาทันทีแต่ใจเนี่ยมันยิ่งอะไรทำให้มันเจ็บเท่าไหร่นี่มันยิ่งจดจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่ากำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในวันหน้า มันยิ่งจดจอ่อยิ่งใส่ใจยิ่งรีเข้าหานะอันนี้แปลกดีั้ยนะกายเนี่ยนะถ้าให้มันแบกอะไรเนี่ยมันไม่อยากแบกอยากจะวางจะแบกโต๊ะแบกเก้าอี้ก็จะแบกเท่าที่จําเป็นหรือบางทีรียบทิ้งนะก่อนที่จะถึงเวลาด้วยซ้ำ เวลาแข่งยกน้ำหนักเนี่ยนักก็ถึงแข่งกันว่าใครจะยกได้นานกว่ากันนอกจากหนักเท่ากันแล้วก็ต้องดูว่าใครยกได้นานกว่าเพราะอะไรเพราะว่ากายเนี่ยมันอยากจะทิ้งมันอยากจะทุ่มทิ้งในน้ำหนักเนี่ยแต่ก็ต้องอดทนนะเพื่อที่จะยืนระยะให้นานที่สุดอะไรที่เป็นของหนังดีใจอาการนี่มันจะไม่อยากข้องแว้เลย ถ้าจะถือจะจะอุ้มนี่ก็จะรีบทิ้งให้เร็วที่สุดแต่ใจเนี่ยนะมันชอบแบกนะแบกอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าเวลาโกรธเนี่ยนะมันก็จะทนุทนอมประคองเอาไว้อะไรที่จะทำให้หายโกรธไวๆเช่นให้อภัยแผ่เมตตานี่มันไม่อยากทำ อะไรที่ทำให้หายเศร้าไวๆเช่นไปเที่ยวนะไปเจอไปเห็นอะไรที่มันสบายใจบ้างใจไม่ทำนะใจจะขอแบกขออุ้มนะคอยึดนะความเศร้าเอาไว้หนักอกหนักใจเรื่องอะไรนะหนักอกหนักใจเรื่องหนี้ศินเรื่องพ่อแม่ป่วยเรื่องลูกเรียนหนังสือนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือมีพฤติกรรมเกเร ใจมังก็จะแบกอยู่นนเนะกินก็แบกนะไม่วางเวลานอนก็ยังแบกเอาไว้นะบางเรื่องบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นได้ซ้ำนะลูกจะสอบเข้ามาวทาลยให้แม่นี่ก็กลัวว่าสอบไม่ได้ก็คิดอยู่ท่านแหละแบกอยู่ท่านแหละกลัวว่าลูกสอบไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ทันสอบเลยแต่ก็หนักใจแล้วหนักใจกลุ้มใจ ทั้งที่ไอสิ่งที่คาดหรือกลัวยังไม่เกิดขึ้นแต่มันก็แบกนะสิ่งที่จินตนาการเอาไว้ในทางลบเอาไว้การจะปล่อยจะวางเป็นเรื่องยากเหลือเกินหลายคนเนี่ยนะเวลามาปรึกษาธรรมาธรรมาก็าพูดว่าปล่อยวางปล่อยวางซสียบ้างหลายคนจะตอบกลับมาว่าพูดง่ายทํายากนะปล่อยวางถ้าเป็นเรื่องของกายนะไม่ต้องบอกนะมันวางเอง แต่ใจเนี่ยขนาดบอกหรือขอร้องหรือสั่งมันยังไม่ยอมวางเนี่ยมันชอบแบกสําหรับกายแล้วเนี่ยการแบกเนี่ยเป็นของยากเป็นของไม่ชอบแต่สําหรับใจในการปล่อยวางกลับเป็นของยากกายเนี่ยนะมันมีความจําที่ดีมากเวลาเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยถ้าเป็นเชื้อโรคตัวใหม่เนี่ยมันก็ จะพลาดท่าเสียทีปล่อยให้เชื้อโรคนั้นมาเล่นงานร่างกายจนป่วยจนไข้แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีการผิดพลาดซ้ำสองมันจำได้นะไอ้เชื้อตัวนี้พอเข้ามาครั้งที่2นะมันรู้แล้วว่าไอ้นี่คืออันตรายภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายเราก็จะเข้าไปจัดการเข้าไปกินไปสลายเชื้อตัวนั้นทำให้ไม่ป่วยอีก นะในครั้งต่อไปอันนี้นะยกเว้นว่าตายซะก่อนนะแต่ถ้าไม่ตายนี่มันจะจำได้เช่นไข้ทรพิษไข้ฝีดาดทั้งนี้เป็นครั้งเดียวนะแม้แต่อิสุกอิสัยก็เหมือนกันนะเป็นครั้งเดียวและร่างกายมันจำได้ครั้งต่อไปนี่ไม่มีวันเป็นอีกแล้วมันจำแม่นมากวัดก็เหมือนกันนะ บาดเข้ามาในร่างกายเนี่ยนะภูมิคุ้กันถ้าเกิดว่ามันปล่อยเข้ามาก็ล้มป่วยแต่ว่าป่วยได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปเข้ามาไม่ได้แล้วแต่ว่าไอเชื้อหวัดนี่มันฉลาดนะมันก็กลายพันธุ์นะอยู่เรื่อยๆนะกลายพันธุ์ทุกปีเราก็เลยป่วยล้มป่วยเพราะหวัดเนี่ยอยู่บ่อยๆนะ แต่ไม่ใช่วัดตัวเดิมนลตัวใหม่ถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยป่วยได้ครั้งเดียวร่างกายมันจาได้นะรวมทั้งเวลาโดนของแหลมทิ่มโดนไฟชอ็อตตอนเป็นทารกนี่ไม่รู้เรื่องนะก็มือก็ไปโดนนะหาทิ่มเอาบางทีก็โดนไฟช็อตไฟ อ, อนอนช็อตนะหรือไปจับของร้อนโดนครั้งเดียวนี่มันจาได้ตลอดชีวิตเลย กายเนี่ยนะไม่มีการไปไปจับนะด้วยความตั้งใจเป็นครั้งที่2แต่เมื่อไหร่มันก็รีบถอนทันทีเพราะรู้ว่าอันตรายแต่ใจนี่มันตรงข้ามนะเจอสิ่งที่ทิ่มแทงหรือเผาลนจิตใจเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยไม่ค่อยเข็ดหลาบเท่าไหร่คนเรานี่ทั้งที่ความโกรธมันเผาใจ นะความเกลียก็ทิ่มแทงใจนะความพยาบาทก็กลีดแทงใจแต่ว่าก็ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความพยาบามเนี่ยมันเล่นงานจิตใจเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนนึงเนี่ยโดนมันเล่นงานเนี่ยทั้งชีวิตอาจจะเป็นหมื่นครั้งนะทำไมใจเนี่ยไม่เคยสรุปบทเรียนเลยไม่เคยจาได้เลยว่าไอ้นี่ไออารมณ์พวกเนี่ยคืออันตราย มันมาเผารนมันมากรีดแทงทิ่มแทงใจก็ปล่อยให้มันเข้ามาอยู่เรื่อยๆเสียพลาดท่าเสียทีมันอยู่ทุกรําทุกครั้งอยู่ร่ำไปและยิ่งแก่ตัวนะแทนที่จะยิ่งมีประสบการณ์สะสมมากขึ้นเพื่อว่ามันเข้ามาเล่นงานติดใจเราได้ยากยากขึ้นยากขึ้น แต่ตรงข้ามนะยิ่งอายุมากนะก็ยิ่งหงุดหงิดง่ายยิ่งโกรธง่ายนะยิ่งหัวเสียง่ายขึ้นอันนี้แปลกดีนะใจนี่มันไม่ค่อยฉลาดเหมือนกายเลยเจอของหนักก็อยากจะแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนะเจอของที่มันทําความเจ็บปวดทิ่มแทงใจก็รีบเข้าหาแล้วก็ไม่จดไม่จํา เจอมันซ้ําแล้วซ้ำํำเราก็ยังโดนมันเล่นงานอยู่นั่นแหละนี่จะดูไปนะใจนี่มันโงก่กว่ากายนะใจนี่โงก่กวายมากให้กายนี่ดูมันทื่อๆใบๆนะแต่ว่ามันฉลาดหลายอย่างให้ใจนี่ดูฉลาดนะนะคิดค้นอะไรมากมายนะนะบางทีก็คิดจะกอบกู้โลกนะคิดจะกอบกู้ประเทศชาตินะแต่ว่าตัวเองนี่นะ กับทำลายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว, วันหวันละหลายครั้งอันนี้เป็นเพราะความหลงทนงตนก็ได้ว่ากูฉลาดกูเก่งนะไอ้ร่างกายนี่มันโง่นะแต่ความโง่ของกายนี่ที่จริงมันแฝงด้วยความฉลาดรู้จักเอาตัวรอดนะไม่ยอมให้ภัยมาคุกคามนะแต่ใจนี่นอกจากเปิดนะให้ภัยต่างๆมาเล่นงานแล้วบางทีรีเข้าหาด้วยนะ รีคอรหารั่วความคิดเนี่ยคิดแล้วมันทุกข์คิดเรื่องอดีตแล้วมันทุกข์ก็ยังคิดอยู่นั่นแหละนะเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงคิดแล้วมันทาให้หนักใจก็ยังคิดอยู่นั่นแหละโกรธนะ Growth, นะมันเผาใจยังไงคนมาแนะนำว่าให้อภัยแทนที่จะไม่ทำตามแล้วยั ง, ยงว่าคนที่แนะนำอีก เวลาเพื่อนเห็นเราเศร้าเพื่อนมาชวนไปเที่ยวบางทีเราหงุดหงิดลำทานว่าเพื่อนนะไปไกลถามว่าใครสั่งนะใจมันสั่งนะท่านั่งที่นั่นแหละคือโอกาสที่ใจมันจะหลุดจากความเศร้าแต่มันจะวางความโกรธนะแต่ว่าใจไม่ทำํำจะเรียกว่ามันเป็นพวกที่เรียกว่ามาโศคิดก็ได้นะมาโศก ค, คือพวกที่สุขกับการเป็นทุกข์ทำร้ายตัวเอง แต่กายนี่ไม่ไม่มีทําอย่างนั้นนะว่าเรื่อใจมันต้องฝึกนะใ จ, จเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกให้รู้จักปล่อยรู้จักวางฝึกให้รู้จักนิ่งนะฝึกให้ไม่ไปรีบเข้าหาสิ่งที่ก่อความทุกข์ความเจ็บปวดฝึกให้รู้จักจดจําได้ไวอารมณ์ใดๆที่เป็นอกุศล ความกลวัวความเศร้าความรู้สึกผิดความเครียดความวิตกกังวลมันโผล่มาทีไรจําได้อ๋อไอ้นี่นะอย่ามาหลอกฉันอีกต่อไปฉันไม่หลงกลแกแล้วแกนะจะเข้ามาเล่นงานฉันไม่ได้ต่อบไปไนี่ฝึกได้นะที่จริงกายก็ต้องฝึกเหมือนกันนะเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะกายที่มันชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบขยี้ขยับเนี่ยเราต้องฝึก ให้ต้องออกกาลังกายให้ต้องขยันขยับบ้างอย่าเอาแต่นั่งแช่นะอย่าเอาแต่นั่งกินนอนกินหรือว่านั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ทั้งวันต้องออกกําลังกายปฏิกิริยาบางอย่างที่มันฉับไวนะบางทีมันก็เป็นโทษนะเวลาเวลาลิ้นเราเจอของ ข, องขมเนี่ยนะอตโนมัติเนี่ยมันอยากจะคายทิ้งมันชอบของหวาน พอเจอของขมนี่มันจะคายทันทีเลยแต่ว่าของขมบางอย่างก็มีประโยชน์นะเป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันรีบคายทันทีด้วยปฏิกริริยาอัตโนมัติเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีกับร่างกายเราก็ต้องฝึกให้กายเนี่ยมันรับเอาของขมที่เป็นยาเนะข้าไปคนเวลาป่วยเนี่ยนะจะเอาอะไรใส่ใสคอเนี่ยนะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเช่นท่อช่วยหายใจ กายมันก็ต่อสู้นะพยายามขัดขืนบางทีต้องมัดนะต้องมัดมือนะต้องมัดมือไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยจะดึงท่อออกหรือว่าเวลาจะซักชั่นเนี่ยนะจะเอาเสเตเลทที่มันอยู่ในคอเนี่ยนะก็ต้องเอาหลอดนี่ไปดูดออกมาโอ้กายนี่มันขัดขืนต่อสู้มากเลยนะทั้งที่สิ่งที่ทำมีประโยชน์ช่วยชีวิตได้ทำให้ไม่ตายแต่กายมันก็ไม่ยอมนะ อันนี้ก็เป็นความโง่ของกายอย่างซึ่งเราต้องฝึกนะว่าต้องฝึกให้มัน อ, อดทนอดทนที่จะยอมให้มีการดูดเอาเสมหะออกหรือว่าให้มีอท่อเข้าไปในในคอเพื่อจะช่วยชีวิตก็ต้องฝึกเหมือนกันผูมงู้การร่างกายของเราเนี่ยที่มันพยายามต่อสู้นะกำจัดสิ่งที่แปลกปลอมเช่นเชื้อโรคสารพิษเนี่ย บางทีมันก็ขยันเกินเหตุนะโรคหลายโรคเนี่ยมันไม่ใช่ตายเพราะว่าเชื้อโรคนะแต่ตายเพราะว่าไอ้ภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยมันไปเล่นงานมันไปเล่นงานร่างกายเล่นการเล่นงานเนื้อเยื่อที่ไปเล่นงานเพราะว่าเชื้อโรคมันซ่อนอยู่ข้างในอย่างเช่นหวัดนกเนี่ยนะไอไวรัสเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในปอดไอภูมิคุ้มกันเนี่ยร่างกายมันต้องการเล่นงานพวกเชื้อเหล่านี้นะ ก็เลยเล่นงานเนื้อเยื่อต่างๆที่ไอเชื้อโรคพวกนี้มันซ่อนอยู่ก็กลายเป็นว่าปอดพังไปเลยนะเลือดนี่เต็มเลเลือดเต็มปอดคล้ายๆกับตํารวจเนี่ยนะต้องการจับผู้ร้ายแต่ผู้ร้ายเนี่ยดันจับตัวประกันไว้ในตึกผู้ร้ายก็มีเยอะด้วยเนะลือกผู้ก่อการร้าย จับตัวประกันไว้เยอะแยะเลยในตึกตำรวจหรือทหารเนี่ยต้องการจัดการกับผู้ร้ายนั้นเนี่ยก็ไม่ฟังอิระฆาอิลมนะเอาปืนใหญ่เอาระเบิดถล่มตึกนั่นไปเลยเพื่อฆ่าฆนะ่าผู้ก่อการรให้ตายให้ตายเฮี้ยนเลยปรากฏว่าตัวประกันก็ตายด้วยเนี่ยทุพพลภาพร่างกายลรบางทีมันขยันแบบนี้นะ มันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจนถึงตายได้หรือบางทีก็เกิดโรคเรียกว่ า, าแพ้แพ้ภัยตัวเองนะโรคพุ่มพวงโรคเ ก, กาอะไรพวกนี้บางทีก็ต้องนะต้องต้องสอนต้องฝึกหรือว่าต้องควบคุมให้มันขยันน้อยลงหน่อยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกกับกายหรือต้องอทำงานกับกายของเรา แต่ที่สาคัญที่เราทำได้ทันทีเลยนะคือเรื่องของใจเนี่ยใจที่มันอชอบท่องเที่ยวนะแล้วก็นำเอาความทุกมาใส่นะตัวเราใจที่ชอบแบกนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะที่มันทำความหนักอกหนักใจนะต้องฝึกให้เขารู้จักวางบ้างนะถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลากินก็กินนะ นะดูแลพ่อแม่ยังไงแต่ถึงเวลาจ ะ, ะไปทําธุระนะหรือว่าไปเที่ยวก็วางมันออกจากใจบ้างไม่ใช่แบกเอาไปตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าเหนื่อยหรือบอกว่าเหนื่อยทางที่เวลาจะพักมันก็ควรจะพักแต่ก็ไม่ยอมพักก็แบกเอาเรื่องพ่อแม่เรื่องลูกเนี่ยไวนะ้แล้วก็ไปโทษว่าโอ้ยเหนื่อยเลอะเกินเหนื่อยเลอเกิน ที่จริงเนี่ยเป็นเพราะไม่ยอมวางตังหงนะต้องฝึกนะแล้วการฝึกเนี่ยเราฝึกได้บางทีฝึกง่ายกว่าฝึกกายอีกนะฝึกกายจะให้มันขยันน้อยลงเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ไปทํามันตรลายกับร่างกายมันนีต้องกินยานะยานี่ก็ราคาแพงจะฝึกกายให้มันสามารถจะยอมรับสิ่งแปลกปลอมที่จะไปช่วยชีวิตนะเช่นยาขมหรือว่า ไอ้ท่อช่วยหายใจท่อซักชันนี่มันก็ฝึกยากนะแต่ว่าฝึกใจให้มีสติเพื่อจะได้ไปปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มันสร้างความหนักอกหนักใจให้หรือสร้างความทุกข์ให้ที่จริงทําได้ง่ายกว่าได้ซ้ำนะแล้วก็ทําได้ทันทีนะั่ต้องฝึกนะใจเนี่ยฝึกให้ฉลาดอย่างน้อยก็พอๆกับกายนะ เราไปทนงต้นว่าใจเราฉลาดนะกายเราม็นโง่นะที่จริงใจเราเนี่ยมันฉลาดเกินไปนะแล้วมันก็เลยหาเรื่องใส่ตัวแต่ถ้าเราฝึกใจให้ฉลาดนะใจก็จะเป็นใจที่ไม่เพียงแต่ไม่ไปเอาความทุกข์มาใส่ตัวนะหรือทำร้ายซ้ำเติมตัวเองเท่านั้นนะแต่มันยังสามารถจะช่วยใจช่วยกายนะให้ดีขึ้นได้เวลาเจ็บป่วยนะ กายเนี่ยมันโดนเชื้อโรคเล่นงานไม่ไว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือมะเร็งนะแต่เสียใจที่ฟูไดีแลนี่ยมันก็จะช่วยกายให้ฟื้นตัวเร็วเข้านะเอาแล้วชาเนี่ยเพื่อนทนนี้นะเอากรับครับ